เส้นฟังที่เครพค่ะเราก็ได้อยู่ในสมาธิเกินมาพอสมควรทีเดียวซึ่งเป็นจิตที่เหมาะสมแก่การที่จะฟังธรรมให้งอกงามต่อไปและในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเป็นประจำเลยนะคะเราจะเข้าถึงอย่างเป็นระบบสําหรับพุทธประวัติจากพระโอษคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเล่าไว้เองแล้วก็มีการถ่ายทอดสื่ต่อมาให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันจนถึงวันนี้ พระอาจารย์เทพบุญแลี่บุญโญท่านตั้งใจมอบให้พวกเราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเช่นเดียวกันกับการฟังเรื่องของอริยสัจสี่อย่างเป็นระบบด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับท่านเลยค่ะน้ัมสกายนะนคะจ่าเฉลิมบอลค่ะวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดบุรีรธานีช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ฝนตกเยอะไหมคะก็เกือบทุกวันชาวนาที่นี่เขาดีใจนะคุณยมติออ๋อคะ่ะเ <c oughs> ขดีใจฝนชาวนาดีใจแล้วพระสงฆ์ลำบากไหมคะ ก็มีบ้างเวลาไปบินธบัอะไรต่างๆแล้วก็ก็คุ้นเคยชินแล้วละ่ะชินแล้วละ่ะแต่พระใหม่อาจจะลําบากบ้างอยู่อืมะคนกรุงเทพก็บอกชินเหมือนกันฝนตกแล้วรถติดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋เวลาถ้าอึดอัดในเรื่องพวกนี้ใช้เวลาที่รถติดนี่ทบทวนธรรมะดีไหมคะแล้วก็สังเกตลมหายใจไปด้วยทบทวนธรรมะไปด้วยคอย่างที่ท่านมาที่พา <c oughs> ทําเมื่อตอนต้นรายการนะนะคิดว่าเรา <c oughs> สามารถทําต่อเนื่องได้เลย ถึงแม้จะมีโฆษณามีสปอตหรือว่ามีสิ่งต่างเนี่ยเราก็ให้จิตของเราเนี่ยมาระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆได้แล้วการระลึกถึงลมหายใจเนี่ยมันก็คือแค่นึกถึงอ่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยต่อเนื่องได้อย่างการระลึกถึงลมหายใจเนี่ยสติแปลว่าการระลึกถึงใช่มพระพุทธาแปลว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแม้นานได้เพราะฉะนั้นแค่เรามานึกถึงลมหายใจอย่างสมมุติเราอาจจะนึกถึงแม่เรานึกถึงพ่อเรานึกถึงเพื่อนเรา เรามาลองนึกถึงลหมหายใจนั่นแ ค, ค่นั่นก็คือการมีสติอยู่ในลหมหายใจทันทีแล้วมันก็ทําได้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องเรื่อยๆด้ว ย, วยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเป็นผู้ที่เรียกว่ า, เ, าเป็นธรรมทายาตว่ากันเถอะซึ่งอันนี้เราจะเข้าถึงพุทธประวัติอย่างหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เป็นธรรมทายาตอย่าเป็นอามิสธายาต อามิสถายาตนี้ก็หมายความว่าสมมุติเรารับมรดกจากพ่อเรามาปู่ย่าเรามาใช่ไหมจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกเป็นอามิสถายาตแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ า, าให้เป็นธรรมทายาตก็คือทําใดๆที่พระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยให้เอาธรรมนั้นๆมาใส่ไว้ในใจอย่างนี้นะธรรมทายา่ไม่จําเป็นต้องไปโกนศรีรษะบวชใช่ไหมคะก็เป็นขั้นเป็นตอน <c oughs> พูดอย่างนี้หมายความว่า <c oughs> หมายความว่า อ, อยู่ที่อยู่ที่เราต้องการยังไงอะนะหมายความว่า <c oughs> ถ้าคุณเป็นคราวาสอยู่ต้องการหาเงินใช่ไหมอ้าวคุณทําตัวเป็นธรรมทายาได้โดยการที่มีความขยันขันแข็งคบเพื่อนดีไม่โกงใครปฏิบัติตามศีลนี่ชื่อว่าเป็นธรรมทายาของผู้รูเช่าเลยในขณะที่มีเงินล้านอยู่ในกระเป๋าก็ได้ ดังนั้ น, นท่านทั้งหลายนะที่ฟังอยู่เ ป, นนนเป็นได้แน่นอนเป็นได้แน่นอนยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตนะยิ่งจะต้องมีความตั้งมั่นธรรมาจะต้องบอกอย่างนี้บอกว่าอย่างถ้าคนผิดศีลเนี่ยหรือว่าคนที่มีจิตใจโลเลถูกคนนี้ก็ดึงไปได้คนนั้นก็ดึงไปได้ฮะมีเรื่องอะไรมาหลอกลวงนิดหน่อยแล้วก็เป๋ละโกงละเนี่ยเวลาที่จะทําอะไรที่สําคัญสําคัญเนี่ยมันจะพลาดพังได้ในขณะที่ถ้าเรามีศีลอย่างเนี้นะ เร า, เามีจิตใจตั้งมั่นไม่ไม่จิตใจหวั่นไหวเราจะได้รับงานที่สําคัญสําคัญในการทําได้ไงค่ทะทีนี้เรื่องของพุทธประวัติก็ยังมีต่อตรงที่ว่านอกจากจะให้เป็นธรรมธายาตแล้วอย่าเป็นอาภิสตายาตเนี่ยนะก็ยังให้สาวกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยทำความเพียรอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยกระทำพระพเจ้าเคยเล่าให้ฟังพุยมติวว่าตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพดได้ เป็นผู้ที่ไม่ถอยหลังในการทําความเพียรคือหมายความว่าไม่เลิกกลางคันคืนในคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพลแล้วก็บอกว่าเอาแล้วว่าวันนี้ถ้าบูดเป็นภาษาเราๆนะว่าถ้ายังไม่เป็นพระุทธเจ้านี่จะไม่เลิกความเพียร น, นี้ความเพียร น, นี้ก็คือการที่ให้มีกุศลธรรมอยู่ในจิตตลอดเวลาเหมือนห ล, หลายครั้งที่เราอาจจะได้ยินบทนี้ที่ว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในศรีระเชื่องแห้งไป นะแล้วก็เชิญชวนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาทําความเพียนในลักษณะนี้คือไม่เลิกกลางคันบางทีเราทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยยังไม่สมบูรณ์เลยยังไม่เรียบร้อยเลยเลิกอย่างงี้ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้ทําต่อนเนื่องอาจจะพักได้แต่ไม่เลิกวางงานเถอะนะ <c oughs> อีกประการหนึ่งในเรื่องของพุทธประวัติก็คือบ อ, บอกพระสงฆ์บอกสาวกอุบาสกบาสิกาทุกคนเนี่ย บอกว่าอย่ามาทะเลาะกันในเรื่องของธรรมะนะางเช่นว่าอย่ามาบอกว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างนี้นะคืออาจจะมีการเถียงกันมาโอเวทนาต้องมีมีสมนะบางคนบอกเวทนามีห้าอีกคนนึงบอกเวทนามีร้อยแปแล้วมาเถียงกันอย่างนี้จะทำนะให้เสียสามะคีกันว่ากันเถอะค่ะนี่คือเรื่องของพุทธประวัติอีกอย่างหนึ่งนิดหนึงตรงนี้ก็คือว่า ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิษุณีพวกนี้พอมาศึกษาธรรมะของพระุทธเจ้าแล้วเนี่ยจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยนะหรือว่ายังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความเสมอกันทั้งหมดนะเปรียบเสมือนกับแม่น้ำเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นแม่น้ําที่ไหลมาจากแม่น้ํำคงคาแม่น้ําอชิรวดีหรือเอาแม้แต่แม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ําโขงเนี่ย มันไหลลงทะเลแล้วก็เป็นทะเลเหมือนกันหมดอไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํามาจากไหนเพราะฉะนั้นคนคุณมาจากเป็นข้าราชการระดับสูงมาบวชหรือว่าเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายมาบวชเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นลูกข้าราชการมีเงินมาบวชก็เสมอกันอืขอประท่านโทษ น, นะคะอันนี้กําลังจะหมายความว่าไม่ถึงความเป็นนักบวช ทำให้คนในในพระพุทธศาสนาในพระพุทธองค์ว่าอย่างนั้นเถิดจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยเหมือนกันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงอย่างนั้นหรือคะเท่าเทียมกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญา อ, อ, อ๋อค่ะอ่าแนี้อย่างอุบาสกอุบาสิกาเราก็เท่าเทียมกันในเรื่องของศีลใช่ไหมเราไม่ต้องมีความกังวลว่าออฉันจนเธอรวยไม่เป็นไรเสมอกันที่ศีลนะเสมอกันที่สมาธิเสมอการที่ปัญญาอย่างนี้พอละพอใจละ สเรื่องคุณจะมีเงินในกระเป๋ามากหรือนอ้อยนี้เป็นบุญเป็นทานที่ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันอย่างนี้นะนี่คือเรื่องของอพุทธประวัติต่อมาเรื่องของอริยสัจสี่เรายังอยู่ในเรื่องของอความเหตุเกิดของทุกข์ทีนี้เหตุเกิดของทุกข์เราพูดถึงเรื่องตัณหาไปแล้วนะมันก็ยังมีเหตุเกิดของทุกข์ลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของกิเลสอย่างนี้นะแล้วก็ยังมีลักษณะของสังโยชน์สังโยชน์เนี่ย แปลว่าเครื่องร้อยรัดนะสังโยชน์ที่มี10ประการที่เราเคยได้ยินกันว่าโสดาบันนะต้องละสังโยชน์ได้3ประการไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงพระอาหารหันต์นี่ก็ละสังโยชน์ได้10ประการซึ่งสังโยชน์ตรงนี้พระเจ้าก็ระบุว่าเป็นเครื่องมือที่จะวัดได้เหมือนกันถึงความเป็นอริยบุคคลถ้าใครละได้หมดก็เป็นอริยบุคคลได้เพรา ะ, ะนั้นมันก็เป็นเหตุของความทุกข์เหมือนกันอะ ดังนั้นสังโยชน์จริงๆเนี่ยไม่น่าจะแปลทุ่นๆนะคะว่าเป็นแค่เครื่องร้อยรัฐน่าจะมีแปลต่อไปนิดนึงไหมคะว่าร้อยรัดอะไรไว้อร้อยรัดคนให้อยู่ในภพร้อยรัดสัตว์ให้อยู่ในภพยังมีความยินดียึดถือในภพในการเกิดในสถานที่เกิดอยู่อแล้วนอกจากเรื่องของสังโยชน์นะก็ยังมีเรื่องของอนุสัยก็ต้องอธิบายคําศัพท์คํานี้ซะนิดหนึ่งอนุสัยเนี่ยแปลว่า เครื่องดองสันดานจะแปลว่าอย่างไรได้อีกอ่ะก็แปลว่าเครื่องดองสันดาน <g ül üyor> คือมันจะทับถมอย่างเช่นเอาง่ายๆมันเกิดตรงไหนอย่างสมมติเรายินดีอ่าเรายินดีพอใจโทรศัพท์มือถือหรือว่ายินดีพอใจรถชักคันหนึ่งในขณะที่เรายินดีพอใจเนี่ยมันจะมีอา่าเขาเรียกว่าจิตเราจะไปกำหนัดเพลิดเพลินใช่ไหม ใ, ในขณะที่เราจิตของเราเนี่ยไปตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมในขณะนั้นเนี่ยมันจะทิ้งคราบเอาไว้ที่จิต ครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอนุัยเพราะฉะนั้นเราก็จะยินดีพอใจกับรถลักษณะนี้แบบนี้แต่ว่าทำไมเราไม่ยินดีพอใจในรถรุ่นอื่นเพราะว่าอนุัยของเราไม่ได้เป็นมาลักษณะนั้นท่านพิบูลน์ค ะ, ะในกรณีนี้เรื่องโทรศัพท์มือถือท่านยกตัวอย่างมาดีมากเลยอคือพวกเราก็ใช้กันมาตั้งแต่ตอนรุ่นขนาดใหญ่เหมือนแบตเตอรี่นะคะเลื <c oughs> ่มาจนหน้าตาคล้ายๆเตรีดเล็กลงมาหน่อยนึงจนปัจจุบันเนี้ย มีโอ้ยสารพัดแบบเลยทั้งที่จากเดิมเคยฟังได้แค่โทรศัพท์พัฒนาเรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้ดูได้ส่งจดหมายได้อะไรแต่มีอะไรได้หมทุกอย่างแล้วเราก็เปลี่ยนความพอใจไปเรื่อยเพราะเขาโฆษณาว่ารุ่นนี้ดีโเราก็อยากได้รุ่นอื่นต่อไปอเรามีตัณหาเกิดขึ้นถูกไหมคะใช่แล้วทีนี้อนุสัยเรามันมีโอกาสดองไหมคะมเหมือนกับมันเปลี่ยนไปเรื่อยบางคนนี่เปลี่ยนเรื่อยจริงจริงนะคะถูกต้องมันจะทับสะสมไปเรื่อยๆทับสะสมไปเรื่อยนะคือเป็นลักษณะของสันดาน เครื่องดองสันดานยิ่งแน่นกว่าสันดานอีกเป็นนิสัยว่างั้นเถอะย่างคนสองคนนะเจอสิ่งเดียวกันเอ๊ะทาไมเขาเขาตอบสนองไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเป็นบุญค้งั้นต่ออีกนิดเล่นโทรศัพท์มือถือสมมุติใครก็พาตัวเองมาไกลแล้วชักมีความรู้สึกโห ว, วิ่งตามมันเหนื่อยจริงๆเลยพวกนักพัฒนาเทคโนโลยีนี่ก็แทนที่จะปล่อยมาคราวเดียวไอ้ที่คิดได้ทั้งหมดค่อยๆปล่อยมาทีละนิดทีละหน่อยอเครื่องของฉันก็ไม่เคยเต็มความพอใจได้สักทีมันมีของใหม่มาเสนอ เอางี้ดีกว่าสังเกตตัวเองไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนอกจากโทรศัพท์มัซื้อละกลับมาใช้แบบเดิมอย่างนี้เป็นเรื่องตัญหามันเปลี่ยนอนุสัยมันเปลี่ยนถ้าอธิบายแบบทำเนี่ยมันเป็นยังไงอนุสัยไม่เปลี่ยนอนุสัยไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราละปัญหาได้คืออนุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าเราจะละของเดิมได้คืออนุสัยเป็นคราบอยู่ที่ผิวของจิตนะมันเป็นเป็นมัน มันสับสมทับกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมันก็เป็นทับใหม่เข้าไปทับใหม่แบบดีเข้าไปใช่ไหมเราเปลี่ยนอีกเป็นแบบดีขึ้นหมายถึงว่าจิตเราสะอาดขึ้นนะเราก็เปลี่ยนใหม่ทับใหม่เข้าไปลักษณะนี้ต่อเมื่อไหร่คุณละอนุสัยได้ละความพอใจความเคยชินตรงนี้ได้นั่นแหละเลิกเลยนิสัยเดิมไม่เรียกนะไม่เป็นแต่พนะระเจ้าจะเปลี่ยนคํานี้เรียกว่าเป็นวาสนาแทนเป็นนิสัยเดิมที่มันมันติดมา เพราะฉะนั้นตอนที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ถอนอนุสัยขึ้นหมดแล้วแต่ยังมีนิสัยเดิมซึ่งกิเลสมันอบรมสั่งสอนมาอยู่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันเพราะว่ากิเลสมันทับถมมาไม่เหมือนกันอนุสัยมันทับถมมาไม่เหมือนกันก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่จะเสมอกันที่วิมุตต์ความหลุดพนน้นอย่างนี้ซึ่ง น, นจะวัฒนาอยู่ตรงไหนหนะคะท่านวัฒนาคือนิอนสยัยคือที่เกิดจากอนุสัยนี่ไง อนุสัยเนี่ยเป็นสันดานใช่ไหมเป็นนิสัยที่ลึกลงไปกว่านิสยัยเป็นค<ะ>เครื่องดองสันดานเขว่างั้น<ะ>เพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นเครื่องบ่งบอกนิสัยของเรา่าคุณจะมีนิสัยอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะอนุสัยนี่ไงซึ่งแต่แล ะ, ะซึ่งอนุสัยเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเวลาคุณชอบสิ่งนี้ปุ๊บอนุสัยเกิดเวลาคุณเกลียดสิ่งนี้ปุ๊บอนุสัยเกิดเวลาคุณหลงสิ่งนี้ปุ๊บอนุสัยเกิด นะ <sim. S 1> อนุสัยมันก็จะท <sim. S 1> ับถมทับถมจนกระทั่งสร้างเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นนิสัยของเราค่ะท่านละอนุสัยได้จะมีวาสนาอย่างนั้นหรือคะไม่ไม่ใช่ละอนุสัยได้เนี่ยก็คือว่าคุณถอนอนุสัยขึ้นใช่ไหมหมดความทุกข์ละ <sim. S 1> แล้ว <sim. S 1> จะเรียกว่าอะไรในเมื่อนอนุสัยไม่มีในพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนคําเรียกตรงนี้เป็นวาสนาวาสนานี่ไม่ใช่ว่าคุณมีวาสนาแบบได้รุ่งเรืองมีเงินมีทองมีอํานาจใหญ่โตเป็นวาสนานี่ยไม่ใช่นะ อันนี้ ค, คือหมายถึงวาสนาในคําบาลีที่พระเจ้าใช้เป็นแบบว่านิสัยอ่านิสัยค่ะท่านค ะ, ะเวลาใกล้จะหมดเพียงแต่ดิฉันแม่ติดใจในเรื่องอนุสัยเนี่ยอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าอนุสัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะอนุสัยไม่ดีถูกต้องถ้าเราปล่อยให้อ่าของเดิมก็ยังไม่ทิ้งแต่ให้มีใหม่เข้าไปเรื่อยๆมันก็จะฝังเป็นความไม่ดีที่แน่นและถมทับเกินมากขึ้นถูกต้อง แล้วในกรณีสมมติเราใช้ชีวิตปกติธรรมดาเดิมๆ เ, เราก็พื้นๆธรรมดาดีๆอยู่แต่เสร็จแล้วเราสังเกตตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มาตรฐานคนทั่วไปเพราะมันไม่ดีมันเริ่มจะเท่ามาอันนี้ถ้าเรารีบปล่อยนี่อนุสัยเราจะไม่พอกพูดไหมคะถูกต้องอนุสัยจะไม่เกิดในกรณีที่เราเห็นตามที่เป็นจริงนะตั้งตาปุ๊บอนุสัยไม่เกิด<ะ>ซึ่งอันนี้ก็จะพูดในรายละเอียดต่อไปได้ในตอนของอเรื่องของมัด แล้วก็จะมีเรื่องของผู้ที่ดับแล้วซึ่งอนุสัยเนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนี้ว่าเอ๊ะท่านปล่อยวางยังไงทํายังไงอนุสัยไม่เกิดแต่ตอนเนี้ยจึงให้เข้าใจก่อนว่าอ๋อไออนุสัยเนี่ยนะมันเป็นอยู่ในหมวดของเหตุของความทุกข์เหมือนกันนะถ้าสาวมันไปสาวมันไปเนี่ยมันจะไปเจอกันที่ตันหานั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนค่ะเท่ากับว่าวันเนี้ยถ้าได้ยินคําว่าปัญหามันก็มีอนุสัยซ่อนอยู่ในนั้น ช, ชหรือถ้าได้ยินว่าอนุสัย ขอให้เข้าใจว่ากําลังพูดกันอยู่เรื่องของตันหาใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องตรงเวทนาความรู้สึกนันแล้วมันก็จะไปตันหาตรงนี้ซึ่งถ้าถ้าเข้าใจว่าอ๋ออนุสัยสังโยชนี่เป็นเหตุของความทุกข์หมดใช่อันนี้เข้าใจถูกแตนะถ้าจะพูด<ะ>ตัวเดียวเอาแก่นแกนเนื้อเนื้อเลยพูดตันหาคําเดียวก็ได้แบบนี้อืมค่ะแล้วเราจะเอา<อ>มันออกยังไงเราจะมาพูดกันถึงตอนช่วงที่มักบ้างหรือว่าผู้ที่ละตันหาได้แล้วบ้างอย่างนี้นะค่ะ พอฟังคําว่าอนุเราก็นึกว่ามันน้อยนะคะแต่นี้ไม่น้อยเล ย, ไ ม, ย <laughs> ไม่น้อยเลยแถมไม่สดด้วยมันเป็นของหมากของดองของที่ค<ว>เครื่อง<ะ>ดองสันดาห์ชื่อน่ากลัวจริงจสันดาห์ท่วนๆก็ยังน่ากลัวมากแล้วนะคะลึกไม่กว่าสันดาห์อีกขุดยากมากถอนยากมากอืแล้วเนี่ยหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจจริงๆ เราจะได้วิเคราะห์ออกนะครับไอ้ตรงนี้มันคืออะไรแล้วเราจะได้เวลาที่จะละมันเสียจะได้รู้วิธีละงานี่ยไหมคะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเหตุแห่งความทุกข์ก็จะจบลงที่ตรงนี้สะกอ่อนแล้วในวันนี้ค่ะจ<า>้ะนะคะบางอื่นที่ฉันสงสัยมากท่านเพบูนเลยไปได้ไม่ไกล <laughs> ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าต้องการที่จะทำความกระจ่างก็คิดว่าอาจจะมีบางท่านสงสัยแดดเดียวกับดฉันด้วยนะคะ ค่ะวั น, นี้ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านเพริยว์นะคะอจารย์พาค่ะท่านวันค่ะสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ท่านเพริยว์นั้นยังมีกิจในการที่จะต้องจัดหลักสูตรแห่งการฤกษกเร้นซึ่งที่วัดป่าดอนไหยโสทําอยู่เป็นประจําเป็นประจําแต่ท่านก็พยายามปรึกเวลาที่จะมาให้ธรรมะกับพวกเรานะคะก็ขอมาส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งส่วนราการของเรานั้น ประเด็นของธรรมะต่างๆอยากจะให้ท่านได้เข้าถึงในส่วนที่เป็นคําของภาษาสลาที่เรียกว่าพุทธวจนะเพราะมีความประณีตมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความรัดกุมไม่ให้ความเข้าใจผิดในทางคลาดเคลื่อนไปเรามีหนังสือที่าจะแจกให้นะคะคือหนังสือที่ชื่อว่าพุทธวจนะชุดต่างๆโดยท่านพระอาจารย์คึุกริตนะคะได้มีลูกศิษย์มาช่วยสร้างหนังสือให้ก็ฝากมามอบให้กับพวกเรากัน สัปดาลาสามเล่นท่านอยู่ที่วัดนาปะาพงวัดเดียวกับพระมัชชาคาวโรที่มาพบเราในช่วงต้นรายการนะคะท่านทั้งหลายที่จะทำบุญทอดกระถินแล้วเงี่ยหูฟังว่าเอ้วัดนี้จะทอดเมื่อไหร่วันที่สิบหกตุลาส่วนวัดพระอาจารย์ไทบูรณ์ค่ะจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยถ้าหากว่าขึ้นอีสานไปนะคะไปวันที่ยี่สิบสามช่วงวันหยุดยาวพอดีเลยยี่สิบสามตุลาคมมีทอดกถินที่นั่น วันนี้รายการของเรานะคะ0 2น6์สองสคือเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านติดต่อที่ FM106 ครอบครัวข่าวรายการสังสานีสนทนานะคะก็ต้องลาท่านฟัง ท, ทุกท่านเพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวสตรีค่ะ